เพราะฉะนั้นถ้าว่าโดยรวมๆนะพูดอย่างนี้จนจบเรียกว่าหนึ่งกันกันอย่างนี้นะคำพีธรรมสังขีนีมีอยู่4กันอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้จนจบเรื่องเลยนะเขาเรียกว่าหนึ่งกันหนึ่งกันนี้เรียกว่าจิตตุปาทกันนะเพราะเพราะว่าจิตทีละดวงทีละดวงทีละดวงอันนี้จิตตุปาทกกันพอจบจิตตุปาทกกันก็ตั้งคําถามว่าอัพยากตะธรรมนั้นเป็นชะไหนอีกก็จะขยาย รูประกันรูปประกันก็แบ่งเป็นรูปหนึ่งมูรูปหนึ่งรูป2รูปสามรูป4ี่รูปห้ารูปหรูปเจ็รูปแปดเนี่ยนะก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยตั้งมาติกาขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายรูปเนี่ยนะทั้งหมดนั้นเรียกว่ารูปประกันพอจบรูปประกันก็ตั้งคําถามเพื่อจะพูดถึงอ่านนพูดถึงเรียกว่าพอได้ในดีขนาดนี้แล้วนะก็สงเคราะห์ว่า จริงๆอ่ะมันต้องแจกอย่างนี้ละเอียดทั้งติกะมาติกะทุกกะมาติกามันต้องเอามาแจกละเอียดอย่างนี้หมดแต่พระองค์ก็แสดงเฉพาะตรงนี้กับเนี่ยนะสองการนี้ให้เห็นพอเป็นตัวอย่างที่เหลือเอาทุกกะมาติกาที่กะมาติกามาเข้าแนวเดียวกันให้มันพิ่สะ د ا แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าว่าคำพีที่หนึ่งเนี่ยนะถ้าว่าโดยไม่มีประมาณก็ไม่มีประมาณจบไม่เป็นเหมือนกันแต่พระองค์ก็แสดงแบบสังเขปสังเขปมี คำพีสารถ า, าสังคหะบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศทั้งหมดมีแต่สังเขปทั้งนั้นเลยไม่มีพิสดารเลยแม้แต่มหาปัจฐานก็ยังสังเขปอยู่ดีสําหรับพระองค์นะย่อมากสําหรับพระพุทธเจ้าแต่พิสดารสําหรับเรา ที่พูดไปนี้เพื่อให้เห็นว่าเบื้องหลังของจิตเจตสิก ร, รูปนี้พานที่เราจะเรียนเนี่ยนะจริงๆแล้วในพุทธพจน์เนี่ยขึ้นไว้อย่างไงเนี่ยนะเราก็จะได้ไม่แบกหามแหมเอะก็จิตเจรูปนี้ย่อๆยย อ, ยอย่างเดียว ทีนี้ขึ้นอธิบายการมาวจรจิตเลื่มแยกให้ฟังนิดหนึงว่าการเรียงเรื่องของอภิธรรมมสังกหะกับอภิธรรมปิฎกแตกต่างกันนะโดยเฉพาะคำภีแรกอภิธรรมมัทสังกหะจิตนี่จะขึ้นโดยภูมิจะพูดถึงการมาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอะรูปาวจรภูมิ ถ้าขึ้นสูตรแบบที่ที่นักท่องทั้งหลายเขาจะไปท่องอย่างนี้บอกว่าจิตมีแปสิบหรือไไหนึ่งยี่สิบอดดวงเหนไไอแปดิเก้นี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยกามาวจระจิตห้าสิบสมหักตะจิตยี่สิบเจ็ด โลกุตระจิต8หรือสี่นะรวมเป็นจิตปหรือ121ยอดวงเนี่ยนะแล้วก็มาแยกต่อไปว่ากามาวจรจิต54สดวงคือเนี่ยนะอกุศลละจิต12อเหตุกะจิต 18แล้วก็กามาวจรโสพณะ24ดวงานะกามาวจรโสพณะ24ก็รวมเป็นกามาวจรจิต54มหักคตจิต27ก็คือแบ่งเป็นอย่างละ2คัคือรูปาวจรกับอรูปาวจร รูปาวจรนั้นมี15บหรูปาวจรมี12รูปาวจรก็แบ่งออกเป็น3มคือที่เป็นกุศลวิบากกิริยาก็อย่างละห้าเนี่ยนะอย่างละห้าก็สมนวนว่าชานที่หนึ่งที่สองชานที่สชานที่4และชานที่ห้าเนี่ยนะ 5. ชานที่หนึ่งที่เป็นกุศลวิบากกิริยาชาญที่สองที่เป็นกุศลวิบากกิริยาชาญที่สามที่เป็นกุศลวิบากกิริยาชาญที่สี่ที่เป็นกุศลวิบากกิริยาชานที่ห้าที่เป็นกุศลวิบากและกิริยาส่วนอรูปปวจรสิบสองก็แบ่งเป็นกุศลอะกุศลเลยขอพายไม่มีนะอรูปประชานไม่มีอะกุศลกุศลวิบากกิริยา ก็อย่างละอย่างละสี่ดวงเนี่ยนะกุศล อ, อารูปาวจรกุศลสอารูปาวจรวิบากสอรูปาวจรวกิริยาสทีนี้ก็มาแบ่งว่าฌานที่หนึ่งคืออากาสานัญญาตนะกุศลวิบากกิริยาวิญญาณัญจายตนะกุศลวิบากกิริยา อากินจัญญายตนะกุศลวิบากกิริยาแล้วก็เนวสัญญาณาสัญญายตนะกุศลวิบากกิริยาก็รวมเป็นมหคัจจิตยี่ิบเจว่ารวมรวมวก็แจกไปอย่างนี้ส่วนโลกุตระจิต8หรือ40ก็แบ่งเป็นมัค4ผลของมัค ก, ก็มีสดวงนนะ มรรคสประกอบไปด้วย1โสดาปฏิมรรคสสกัฏาคามีมรรคสอานาคามีมรรคสี่อรหัตตมรรคเนี่ยนะผลของมรรคนั่นแหละเรียกว่าผลานะนะพอมรรคเป็นเหตุผลของมรรกก็เป็นผลเช่นโสดาปฏิผลสกัฏาคามีผลานาคามีผลและอรหัตตผลเนี่ยนะก็รวมเป็นเท่าไหร่ 8ทีนี้มันเป็น40ได้ยังไงโสดาปฏิมาค์แบ่งระดับชานเลยตั้งแต่ชาน1ถึง5โสดาปฏิมาคระดับปฐมชานที่1โสดาปฏิมาคระดับชาญที่2โสดาปฏิมาคระดับชานที่3โสดาปฏิมาคระดับชานที่4โสดาปฏิมาคระดับชานที่5เพราะฉะนั้นชาน5คูณมัก4จะเป็นเท่าไหร่20เนี่ยนะ ฌานมักมีเท่าไหร่ผลก็มีเท่านั้นก็เรียกว่าผลจิต 20, ยีสิบนี่ยนะรวมเป็นมักจิตทว่าย่อๆก็มักสีผลสี่พิสดารก็คูณด้วยฌานถามว่า8ดนี่แหละนะมักสี่ผลสีเทนะ่ากับ8 8ดดคูณด้วยระดับฌานทั้งห้าเท่ากับสี่สิบเนี่ยนะก็จะเป็นมักอ่ หรื อ, อ, อมรรคจิตโพลจิตแปดหรือสี่สิบรวมเป็นโลกุตราจิต<ๆ>เ น, นี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้จิตแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดวงเนี่ยน้ก็เป็นกไล่โครงมาอย่างนี้สาธุๆๆๆ สาธุเกิดสักมักสองมัดเอแล้วก็พักสักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าดูตาจากอาหารกำลังย่อยพอดีเลยพักสัก5้านาทีจิตถ้าว่าโดยภูมิมีสี่นะคือกามาวาจรรูปาวาจร อ, อรูปาวาจรและโลกุตตระ ก็เลยมีอยู่สสี่ชนิดด้วยกันนี่อธิบายถึงกา ม, มาวาจรจิตวิเคราะห์สั์คำว่ากา ม, มาวาจรเนี่ยนะธรรมชาติใดย่อมปรารถนาวัตถุกลามเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ากลางในหมายถึงกา ม, มาตัญหาหน้าส3สามนะคือหมายถึงกิเลสกามนั่นเองนะธรรมชาติของกิเลสกามก็ปรารถนา วัตถุกรรมนี่ยนะความต้องการในวัตถุกรรมนั่นเองที่ชื่อกว่ากามาวจรเพราะอาธาิบายเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งกามาตัณหานั้นด้วยอำนาจทำให้เป็นอารมณ์เพรดังนั้นคําว่ากามาวจรคืออะไรตอบภาษาสัมมวนหน่อยก็บอกว่าแหล่งท่องเที่ยวของกามาตัณหาเรียกว่ากามาวจรนี่ยนะคือถ้ากามาตัณหามันจะชอบมันชอบที่ไหนก็ชอบในกามาวจรจิตเหล่านี้นี่แหละ ชอบในกา마มมาวจรทั้งหมดอ่ะนะท่านคำว่ากา마วจรก็แปลว่าเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งกา马ตันหาเลยเรียกว่ากา ม, มาวจรอะไรงี้ยบอกที่ที่กิเลสเที่ยวไปอ่ะนะที่ที่กา马ตันหาเที่ยวไปอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ากามเพราะอาจว่าอันจิตไข่ได้แก่กามาพบ1ิออันนี้หมายถึงวัตถุ ก, กามเนี่ยนะวัตถุ ก, กาม เชื่อว่ากามาวจรเพราะอาจว่าจิตนั้นท่องเที่ยวไปในกามาภพนั้นโดยมากอันนี้เรียกว่าพูดโดยเยพูยเยณนะเนี่ยนะคือเราก็พูดโดยแบบโดยมากคือคําว่ากามาวจรจิตนี้แปลว่าจิตเป็นจิตโดยมากที่ท่องเที่ยวไปในกามาภพสิบเอ็ดนี่ยนะที่จริงแล้วจิตนี้บางทีก็ไปในรูปภพเหมือนกันบางทีก็ไปในอรูปภพแต่ก็ยังชื่อว่าเป็นกามาวจรเพราะว่า ท่านประสงค์เอาการท่องเที่ยวไปโดยมากคือโดยมากแล้วกามาวจรจิตเนี่ยนะก็อยู่ในการมาพ11ิบนี่แหละวนๆอยู่แถวๆนี่แหละถึงคิดนามธรรมก็นามธรรมที่อาศัยอาศัยพบทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละนะเพราะฉะนั้นคว่ากามาวจรโดยศัพท์ก็แบ่งออกเป็นสองความหมายนะคือหมายถึงที่เที่ยวไปของกิเลสกรรม คำว่ากามาวจรอีกในหนึ่งก็หมายถึงวัตถุกรรมเนี่ยนะหมายถึงวัตถุกรรมวัตถุกรรมก็มีนรกเป็นเบื้องล่างมีสวรรค์ชั้นปรานิมมิตแต่วัสวัตดีเป็นที่สุด น, นะอันนี้เรียกว่ากามาภพสิบเอในกามาภพสิบเอเหล่านี้เนี่ยนะตันหานี่ชอบหมดเลยแต่ตัางคำถามว่าเอ๊ะตันหาชอบนรกด้วยหรือชอบชอบให้คนที่ไม่ชอบตกนรก มันชอบเหมือนกันชอบให้คนที่เราไม่ชอบอะ่ะมันตกไปตรงนั้นน่ะมันมีความสุข <laughs> ใช่แล้วแต่ยิ่งมารู้ว่าเขาไปได้แบบนั้นด้วยนะชอบมากอันนี้เรียกว่าปริกับปะอิทถารมันน ะ, ม, ะมันก็ชอบในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยชอบอ่ะนะถ้าหากว่าไม่ชอบแบบเนี้าการเขียนข้าเป็นต้นจะไม่มีเลยเห็นไหม ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครัว่ากามาวาจรนี้ถ้ามุ่งไปที่กิเลสกรรมหมายถึงที่ท่องเที่ยวของกิเลสก ร, รมส่วนการมาวาจรอีกในหนึ่งหมายถึงวัตถุ ก, ก ร, รมทั้งหลายที่นับเนื่องใน11ภูมิเนี่ยนะส่วนการมาวาจรจิตหมายถึงจิตที่ท่องเที่ยวในกามมาวาจรทั้งทั้งหลายที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งกามาพบนั่นแหละชื่อว่ากามพบนั้นชื่อว่าเป็นการมาวจรเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งกามนั้นจิตแม้เป็นไปในกามาพบก็เลยชื่อว่ากามาวจรจิตคือจิตที่เที่ยวทเที่ยวไปแถวๆนี้นะโดยมากเลยเรียกว่ากามาวจรจิตจิตแม้เป็นไปในกามาพจรพบนั้นก็ชื่อว่ากามาวจรด้วยอำนาจชื่อพบที่อาศัยในจิตผู้อาศัย อันนี้ชื่อดีนะมาเราจอไปเรื่อยๆมเลยชื่อเรืน่ย่ไเอาเปกบายจเฉยๆลัอะไรวันที่เราคลอนจนะ พรกอมไปคุยกันอีกนานะบายไปเดินเล่นกันหน่อยที่มันอ่อนน่าจะใช่มากใช่มันห่อนมากใช่โอ้ยมันชิบหนาละมาใช่ตังที่มันติด เส้นชื่อรัชนีอย่างเงี้ยรัชนีแปลว่าหน้าหน้าหน้ากำหนักอ้าวแล้ว่บพระัร์รัชนีก็รพระจันร์ก็มันน่าชอบใจนั่นง อ, <laughs> อันนถ้ารัศมีอ่ะใช่แต่รัชนีโดยแปลว่าน่าน้าพอใจมากหน้ากำหนับคำว่ากามโดยศัพท์หมายถึงความใคร่อันนี้มุ่งที่ กิเลสกามตัวกิเลสเลยกับคําว่ากามหมายถึงวัตถุที่น่าใครอันนี้หมายถึงวัตถุกามเนี่ยนะวัตถุกามคําว่าอาวจระนี่แปลว่าท่องเที่ยวถ้าว่าโดยรวมๆนะเช่นกามอวจระจิตหมายถึงตัวจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์ที่ ท่องเที่ยวนี่แปลว่าวนว น, ว น, นได้ไมเจเลจ่เจเล่ะเอ่เล่อ่เที่ยวเที่ยววนวนไปเจเล่ก็จระนะั่นแหละเดียวกันก็จิตที่ท่องเที่ยวจรไปตามตามกิเลสกรมอย่างหนึ่งวนวนอยู่ในวัตถุกรามอย่างหนึ่งถ้กก า, าถ้าจากคกรรมพูดอันนี้นะมนุษย์ในกสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์ที่เรารู้จักกันเนะี่ยไม่มีความคิดไหนที่พ้นสิ่งเหล่านี้เลย ทฤษฎีทั้งหลายที่ตั้งทั้งหมดนะวนอยู่ในวัตถุถ้าไม่วัตถุก็อะไรอะไรก็อยู่ปนๆอยู่แถวๆนี่แหละเนี่ยนะเอาก็มันน่าพอใจใช่ไหมก็ไม่น่าใครก็เป็นเป็นวัตถุกรรมด้วยเหมือนกันนก็คนอื่นเราอยากสมมติคนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะก็อยากให้เขาได้รับแบบนั้นอยู่เหมือนกัน เนะนะพราะถ้าถ้าอย่างนั้นนะจะไม่มีการเพาะเชื้อโรคจะไม่มีการสร้างอาวุธกันขึ้นจะไม่ได้อะไรขึ้นเนี่ยนะก็เพราะว่ายัาฉือว่าชอบในสิ่งเหล่านั้นนั้นเหมือนกันะนะกิเลสนะั้นมันไม่มีอะไรที่มันไม่ชอบสักอย่างเลยนะโดยเฉพาะตัณหาเนะีเวนโลกุตระทำเสียไม่มีอะไรที่มันไม่ชอบเนี่ยนะนะ ไหนตกตกตัวจอเข้าไปนะตกตัวเที่ยวไปโทรศัพท์นี่อรชอบชอบไม่เละอย่าไปโกรธเข้านะความโกรธมันไม่ดีอ่ะนมับอกเชื่อไปเละบอกก็มันน่ากโกรธใช่ไหมก็ยังอนุรักษ์ไว้อีกนะ เพราะมันเลวจริงๆอะผมยังโกรธมันะ่ะมันอนุรักษ์เอาไว้